ทั้งใจฟังเมื่อ น, นี้กับจิตได้ให้ขอคิดเป็เครื่องเตือนจิตสึกิจใจของพวกเขาตื่นยให้วานนีแต่กับพอที่จะจำออกไปได้บางคนบางคนก็จําบ่ได้ดังนั้นการพูดการเว้าวพูดกับเว้าอันเดียวกันเทศกับแสดงอันเดียวกัน ประท่ากระถาหรืออธิบายคำเดียวกันเพื่อจะให้เข้าใจบางคนทันเทศต้องจับหนะังสือมาอ่านก่อนอันนั้นโบเมนเทศเหมืนอ่านหนังสืออันนั้นเมื่อจํำคนผู้อื่นไปเว่าวันกระโบเมนของว่าของเขาเป็นอิดเป็นหวานเพิ่งเ่าให้จํำคนผู้อื่นมาเว่าพระพุทธเจ้าคุนสอนว่าให้เราปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ยังที่ว่าให้ฟองมืดเศราวานนี้นะ่ะการเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากหนักยากหนาเราจึ ง, งเห็นได้บางคนพ่อแม่แม่ตั้งทองมาได้สองเดือนสามเดือนแท้งตายไปเลยบนถนนเกิดเป็นคนก็มีบางคนเกิดมาเป็นคนได้สองมือสา ม, มือตายไปก้อนนี้บางคนได้สองเดือนสามเดือนตายไปก้อนี้ บางคนได้เข้าปีตีปีตายก็มีบางคนได้อายุถึงเจ็ดตีแปดตีตีตายไป <c ười> เขาเคยเห็นชีวิตว <c ười> วตัวเองเขเคยเห็นจิตเนใจตัวเองคนว่าจิตอันนั้นเป็นใหม่คน <c ười> คนคี้บุคคลทุบตึกขึ้นมามือเดียววันเดียวก็ตามต่างรู้จักชีวิตจิตใจตัวเองต <c ười> ่วดีกลัวมีประโยชน์กลัวบุคคลที่มีอายุเต็ดอยู่กับร้อยปีต่างนนี้เป็นวัยเดียวกันแบบนี้ การเลือดเป็นทิศตูแตมนเนงก็คือกันเลือดมาตั้งแต่นในน้อยอายุหันร้อยพันสาวจนบ่นเห็นชีวิตจิตใจตัวเองบ่เคยเห็นตัวเองบ่เคยรู้อาการเกิดดับของตัวเองการบวกของคุณนั้นกับเป็นมันตรงนี้บุคคลผู้เลือดมาเมื่อเดียวกับตั้งทางถ้าเห็นชีวิตจิตใจตัวเองดีกลัวมีประโยชน์กลัวบุคคลผู้ที่บวืมาร้อยปีน ตะนั้นการที่เขามาปฏิบัติธรรมนี่จึงจําเป็นทุกคนต้องปฏิบัติให้มันเข้าใจจริงๆเมื่อเขามารู้สิริของเขาคิตใจของเขาแล้วมันมีประโยชน์การเลี้ยง ก, ก็มีประโยชน์การเกิดมานานก็นมีประโยชน์ถ้าเขารู้จริงๆอันนี้เขามาบวชนี่เรียนเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติบนไม่ได้เรียนแล้วเอาไปอวดเขา แต่ว่าเขาบางท่านที่อันนั้นมันเข้าใจอย่างหนึง่งมันก็ดีเขาว่าเอิญมอดมอดหาจินใหม่มอดหากัดไบาลานแล้วผลประโยชน์บกุกเบิกขึ้นในตัวเขาดังนั้นที่เราเห็นในตํำรับตํารานั้นว่าการปฏิบัติธรรมะต้องเป็นขั้นตอนไปสึมมว่าต า, ามตํำรับตำลานั้นว่าข้อแรกที่เราเปิดปฐมฌาน สุติญาสานสาิตญาสานจตุสาสารหรือปัญจามาสารเป็นวายกันทั้ันฌานแป่ว่ารู้แต่ว่าเห็นแต่ว่าเข้าใจแต่ว่าเข้าไปสัมผัสกับซึ่งนั้นๆอยู่เสมอเป็นเอุ่นศาสตรและดันนี้เ่อมาผู้แปลหนังสื อ, อหรือผู้เขียนหนังสือหรือถึงคงาาราางนะูเป็นอาจารย์คอยทำฟางน่ะเป็นสายการฌานฌานแป่ว่าเข้าเข้าไปแล้วก็เหาะได้หรือไปเท่ง แล้วก็ห่อได้ดำดินดินบนนี่นนเข้าใจไปทางกันอันนั้นคือว่าเข้าใจกับสำหรับรําราบมเนียนอย่พอเขาไปปฏิบัติธรรมอ ย, อ, รอย่างพอรู้จริงจริงการแต่ว่าเขาไปรู้เขาไปอยู่กับซึ่งนั้นๆ่ซื้อนี่นะเขาไปเท้งไปคุกขีอยู่คล้ายๆคือเขาจับอันใดมันนินมันคุกคีอยู่กับมือเขาเนี่ยเขาเนี่ยรู้จักมันคิดมาเขาก็รู้จักรลยนี่เป็นว่าการแต่ว่าเข้าไป มันเป็นเอาหัวมุดเข้าไปเนี่ยดังนั้นคือว่าการเห็นกวมคิดเห็นชีิตของเฮามันจึงมีประโยชน์มากที่สุดอันควรคิดเี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลามือหนึ่งมันคิดแต่ต้องลอยเรื่องพันเรื่องเมื่นเรื่องแสนเรื่องเขาบอเคยเห็นมันจ้ากเกลือเขาเหูควรมคิดเขาบอกเห็นกวมคิดเขาบอกเข้าใจกวมคิดอันนั้นอเอป็นเอื่องนะปรุงแต่งเรื่อสังขาร ขันว่ากับตำรับตำนาก็สังขารน่ะท่นเป็นการปรุงแต่งขันมันว่าปกๆไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นไปใจให้เกิดสังขารอวิชาไปรบความบุรู้จักอันความบุรู้จักวันมีนบุรู้จักอันหาเงินหาทองกินข้าวกินน้ำโบแมนอันนั้นโบแมนอวิชาอันนั้นอวิชชานังกับคนเข้าใจผิดเราที่คืออวิชาคือบื้หินชีวิตบ่หินจิตเห็นใจเฮานี้ได้พระุณเจ้าคนวันน้อยเย และบางที่หกักกะเริ่ะวิชาแต่ก็กาัวไม่รู้ว่ามันกลั ว, วมไม่รู้อั น, อนไหนกลัวไม่รู้ตำรับตําราควไม่รู้การทํามาหากินควไม่รู้ตัวเองโอ้มันกวางแปลไปอันนั้นแต่าา ก, การแปลหนังสือนั้นดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจยู่ึงจุดสําคัญนั่นก็ได้าะั้นการปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าถึงจุดสําคัญของมันจริงๆ วิชาไปว่าคนไม่รู้วิชาไปว่ารู้รู้อะไรส่กรู้จิตรู้ใจรู้ชีวิตของเขานี่เพราะว่าเขาเห็นจิตเห็นใจเห็นชีิตจิตใจของเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นษรรษสอนของที่พรพุทธเจ้าจึงว่าวิชาไปว่ารู้รู้่านฐานไปว่าเข้าไปรู้เข้าไปคุกข์เคยยี่ยวกับสิ่งอนั้นเพป็นวาจักรั้นในนั้นเ น, น, นี่นยพ่อเคยว่ากับโมคำว่าปฐมมิชานเรื่องรู้รูปน้ํา อันนั้นมาซื้อคนที่มีปัญญาวาให้ฟังแล้วเขาคิดตีแตกออกมาลุาเา่เรื่องลู่มน้ำบุเยังไงะหลุพอกับขังวาพเนื้อมีือดลุ่น้ําแล้มันดีใจเลยมันไม่ได้ใส่ใจดีด้นยอ่ะมันดีใจซื้อ ม, มารุ่มเกิดปรมัตถ์ที่มันยังจัดเป็นปฐมฐานจิตใ จ, จ เ, เขาเตี้ยนข้างทีนึงนี้มันไม่เตี้ยหนหรอกคล้ายๆคือว่าเห็นแจ้งนี่แหละทานเขาได้ข้างที่แรกนี่แหละมันเห็นแจ้ง มันรู้จริงมันเข้าใจจริงมันสะทัดจริงเลยต้องทําลายข่มโคตรข่มโรคข่มหลงนี้อย่างน้อยที่สุดผู้ที่เห็นจริงเห็นปร ม, นะมัจิตจริงๆนะข้าพุทธเจําบอกว่าพูดมาเวาเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาจริงๆงเนี่ยทําลายได้แท้ๆข่มโคตรข่มโรคข่มหลงอย่างน้อยที่สุดต้องสารติดเปิสร็อย่างน้อยที่สุดละอันนี้ ขันทามติดเปลือกจริยังลอยอ่เจ็บติดเปลือกจริย์แบบนี้ยังโบม่นมันที่มันเรื่องอันนี้ได้แบบ น, นี้จิตใจเหามาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่สองนี่ก็ต้องทำหลายกวุมยึดมัน่นถือมันเส้นอุปทานกิเลสกันหาเหล่านี้อย่างน้อยก็ทําลายไปเหมือนกันอันนี้ก็นนะมันเป็นพักเป็นตอนเลอันนี้ยังโบหันมันติด อย่างบนนี้กับตำหนักตำราเถอะเตตหนักตำลาเขาบอกว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบจะมาที่กำจัดกิเลสอย่างต่างปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดก็ต่างอันนี้อย่างบนนี้เอะอันนี้มันเป็นหน้าปะคอกที่นียังไม่ทันเป็นปกติจิตใจเมื่อจิตใจว่าเป็นปกติกับตอว่าอย่างบุญมีศีลสมบูรณ์เนี่ยอันศีนห้าศิลแปดศิลศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดนี้มันเป็นเรื่องสมบูรณ์ มันยังไมีเรียกปรมาตยเรียกปรามาตย์ามาันต้องมีสิ่งปรากฏเกิดขึ้นมาในตัวของมันจริงๆริงมันจึงกำจัดกิเลสได้จริงๆริงโอเคไหมกิเลสยังง่ายเพราะีว่าอันใดบางคนกว่าผมโก้ผมลบปลุกแม่นยูบางคนกนว่ า, าวาเป็นนํามีเข้าของเงินทองมีกิเลสเนี่ยแต่แม่นยู่เพราะผเห็นคิดเผลอซื่อ บางคนก็มีให้มีนามีห้วมีส่วนมีเสื้อมีผ้าเนี่ยเขาเรนนื่องกิเลสกับแมนอยู่เพราะควมเห็นของคนมันคิดต่กักนบางคนว่าคันทําการทํางานมากๆกับเป็นกิเลสกันบแมนเนพเราะควมเห็นเนี่ยความนึนกนคิดเอาเ น, นี่ยมันก็ไม่ได้หยาบปัญญามันไม่ได้หยางเขาไปรกล้งตัวมันจริงๆที่อย่างพอเข้าใจสิ้ เป็นเครื่องกาจัดกิริลสอย่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกํำจัดกิริลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิริลสอย่างละเอียดอมื่อนี่ยพอปฏิบัติจิวหาว่าพูดอวดอุตลิมนุษชาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ว่าทั้งกระไดแต่ว่าธรรมท่เว้าเนี่ยมันเป็นธรรมอุตลิของบุคคลไมเนี่หรือวะธรรมอุตลิพูดอุตลิมนุษชาฐานบนพูดอวดเลย อันพูดอ้วดอุตริมนุษณาธรรมคือทรรอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเป็นอาบัติประจิตกันเลยบัดนี้มากลับกันไหมอีกชึนมหนึ่งวมมพวกอุตริมนุษณาธรรมคือทรรอันยิ่งของมนุษย์ที่ดีในตนบัดนี้ที่มีในตนเป็นวัดต้องอาบัติจิตตีอยอันพูดแล้วมันบูรู้จักามาเพื่อว่าเป็นอาบัติประจิตค่าจากก้าควรเป็นทิศฝูคนว่ากัน พละห้าจากคนที่ทิศศูนนี้คายคายตัวเขาอยู่ในกล่งหรืออย่ในมุมมันเขาจะเห็นมุงได้เขาอยู่ในมุมมันเห็นอยู่ในมุงนะเนี่ยเขาเข้าไปในมุงแล้วเขาไปซอกมุมในมุงซอกมุมซอกนั้นซองนี้มันเห็นอยู่แต่ในมุงมันไม่ได้เห็นแฝงมุมไม่ได้เห็นหลังมุงแล้วบ่ได้เห็นไปนอกมุมเขาอยู่ในมุงหันมุมบางๆที่อาจจะมองเห็นทางอื่นก็ได้ถ้าหากหนึ่งที่ในถทําบบนี้เลือารอาคือกันเขาไปที่ในถ้ำเขาจะเห็นถ้ำบ่ โดยเห็นทำเพราะเขาใตะไปเยืาา่อทำมันเอยดูเลยทำมนอะเขาบอเห็นทำทแต่วมันมืดเนี่ยมุงนี่จะคล้ายๆกับมืออยู่ในห้องมืดแทนาเดินฉะนัเขาจึงว่าที่เนี่ยพอบอกเนี่ยพอไว้ก่อนผ่อนตัวออกจากมุงพ่อนตัวออกจากทัพอยู่นอกมุงอยู่นอกทัพเขา อ, อยู่นอกมุงกับเบิ้งมุงกับเห็นมุงอันนั้นหู่มันอันนั้นหลังมันอั น, นั้นต้วงมันเป็นอะไรที่กันมุงได้ บัดนี้ออกจากถ้าบัดนี้เขาก็มองมองเห็นถ้านั่นอันนั้นเป็นหินเป็นโนนเป็นเขาเป็นภูปากถ้าเขาก็เห็นอยู่ไ ม, มันมืดหูดดจังเหมืกันถ้ำเป็นแบบมืดบัดนี้เจ้าหัวไอจวหรือพระกรรมาฐานก็ไปหาอยู่ในถ้าอันนั้นกับเมนอยู่นั่นเป็นอะไรอย่าพอเข้าใจอย่างานี้ตอนนีมื่อย่าพอทําลายมาจิตใจ เตือนหน้ามือเป็นหลังมือมือหนักเป็นเบาโง่เป็นสลักจิตใจมันเป็นอยง น, นันงนนน้นหนักเป็นเบาท่แต่กคอนมันหนักจิตใจมันหนักพอได้เห็นมันเบาขึ้นมาลุกแต่ก้อนจิตใจมันมืดมันบุญจักมันมืดแตยอนโบเห็นเดี๋ยวนี้มันจะวางมันเห็นวันนี้มันเข้าใจอย่างเตี้ยนหน้ามือเป็นหลังมือแบบ น, นี้ดำเป็นขาวเข้ามาสิสองเธอ ตีดใจเปลี่ยนามาเปลี่ยนมือแรงตอนตอนนี้เปลี่ยนมือแล้วตอ น, ตอ น, นเจ้าบัญญาพอไปเดินจมคมพอปานนี่ไหลอยู่งในลาวตีตีี้าเนี่ยเนี่ยพ่อไปเดินจมระยะเดินจ ม, ญญจมคมอีกทปลากุขึ้นมา ร, รุนสิสิ้นแปลปกติจริงจริงสินเขาก็เลยไปแปลตามหนังสือว่าสินแปลว่ากัมะกีรียงนี้ย นีึกถึงแต่ว่ขัดเก่านถึงแต่ว่าหุกวัตถุข้าเจ้ากลาเวาวกันบนหนักเพชรคือเหล็กสบไบคือหินกัดไม้กัดเหล็กนี่แหละข้าเจ้าวาันเป็นเครื่องขัดเกเเลื่มีดพาบพวกเขาเอาไปรับใส่หินหินมันจึงกัดคมมีดคมพามจึงคมขึ้นมาหีืเหล็กตะาบไปผัดไม้หรือผัดเหล็กเลยนี่นกะมันจึงคมขึ้นมาแมนในเทียนมั น, น, นะ ม, น ม, มุ้งมันเปียกเทียบให้ฟังคงว่าจะคิดตั้งแต่กับแมนในแทีแล้วก็าว่าทั้งผิดเลย แต่เหมันเราซื้อบางทีอาจจะมุ่งจักต่ําถามเราจับต้นจนปลายโบได้ก็ะแม่ผมข้าเจ้าสิ่งที่เนี่ยพอเวลานี้เนี่ยพอหัวใจว่าสิ้นสิงขันขันไปว่าลองรับขันไปว่าที่เนี่ยสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันขันไปว่าที่ขันไปว่าลองนับขำคือขันห้าเนี่ยไปว่ารองนับรับได้สมุติที่ซื้อบริหนี้ กินอันนี้ไม่ลงแล้วสมมติว่าน้ํา ม, มันน้ํา ม, มันเป็นสินหรือน้ำมันกาดเท่ากันและบรรเทาไม่ไป เ, เอาเอาขัดดินเอาดินให้ขัดเอาดินมาให้ขัดแล้วดินหม้อเขานั่นนะหม้อนึง่งหม้อแกงเขามาตีหม้ออุ่นหม้ออีกย่างเงี้ยเอา น, น้ํา ม, มันกาดาาน้ำมัน ด, ด, ด, นนดินสินไปทอกวัฒนธรรมสกิดได้บอกเก็บบดได้น้นํามันกาดน้ำมันดินสินมันแหลมมันซึมเป็นเจน้ําท่าเนี่ยเก็บได้ เจ้อันนั้นมันเก็บบุได้เอาไว้อย่างหึงกับโบเกินพอเตัวโมงสองตัวโมงมัดน้ํามันแกน้ำมันน้ํามันแกน้ามันกาเนี่เพราะว่ามันโบไม่สินอันนั้นเนี่ยสิ่งคันเว่าที่นี่หล่องหลับใดหล่องเนินเอากระปองขอยยางที่เป็นพัตตติ๊กบุลือพัตตติ๊กมันกัดทับน้ำมันกาเนี่ยมันเป็นฟวงน้ำฟอองมันคัดวันนี้เอาทองหรือเอาเหล็กหรือเอาสังกะสีอย่างที่ขาจะเหตุไปพอกแค่น้ำมันมันโบหง มันลองรับมันละเอียดลับละเอียดตัวละเอียดมันต้องลองรับกันได้ดีเอ๊ะงั้นั่นคือว่าอันนี้แหละมันลองรับมันต่อต้านได้มันเก็บไปได้ดีมันจึงเห็นอยู่ทุกขณะเวลาทุกลมหายใจก็ปฏิบัติเพื่อกลมเข้าใจกังนงจริจริงอันนี้กาจัดกิรเลอย่างงายได้จริงจริงยังงางยงงาคืออย่งนั้นคนมันติดดีคนติดดีนี่นก็กิเลสยางงา่ายเพาะว่า มืดสีดำนั้นเห็นงานมืดสีขาวนี่มองบ่อเห็นเขามืดสีดำยกกับหงาย่างไปกันเห็นมันมืดๆคึมๆนี่เขาระวังรถไปขันหอง า, าย่างไปเปนมันแจง้งแจง้แจงเห็นน้ำแบบนี้ข่าวเข า, ขาจะว่ามันดินแหง้งมาเสร็จะตะเหียบตู้มเอารถเกี๊ยบหลุอันนี้อ่ามืดสีขาวมองบ่ไปเห็นง่ายมืดสีดำนี่เห็นงา่าคนขเขาแบบนี้ขันโกอดเข้ามาลึมๆไปแต่มันเห็นด้วยการแสดงความตัวเนี่น่ะ บาตรมีคนติดดีสแสดงความดี ล, มละมุนละไมประจบ ป, ประแจงอันนั้นเอามือสีขาวคนอยากได้ดี<น>เพาว่าคนอยากได้ไดติดดีมันติดดีอันนี้คนจะว่าเขา พ, พเจ้าพิงสอนว่าอย่าไปติดมันดีกระบบเอาตัวกระโบเอาจะว่ากุตลาธร ร, รมะอากุตลาธรรมะนี่ว่าอากัญญากระตาธรรมะวางกาเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่งสัตยอย่าไปติดสีอย่าไปติ ด, ด, ต, ด, ดตัว เมื่อพอเข้าใจาในสิ่งที่ว่ากาจัดกิเลสอยาอ่างหาบอ น, นี้จำพวกมีเงินไหลา ย, ลายททาบุญไหลไยลายตายได้สิ่ง้จะเป็นหตุว่าติติดเทวดาเทวดาเขาบุหัจ้จักสาพูอย่างตัางูุวจักว่าอะไรเขาเป็นเทวดาบุหจกว่ากิเลสอย่างหยาบนี่มีสิทธิ์ลงหูวจักตสีส่ดวงสมาธิกาจัดกิเลสอย่างกลางจาพวกติดข่มสงบหาว่าคนสงบอันนั้นถูก้อง เขาได้ยินบ่พระพุทธเจ้าเปรียด ไ, ไปศึกษาอยู่กับพระคาลาราดาบุตรธุระดาบุตรได้สมาบัติจสมบัติแตกจิตมู้นอะไรเนี่ยนี่พอบูให้จัก จ, กจิเลสยางกลางนั่นเนี่ยกิเลสยังกลางไปว่าทําความสงบเนี่ยพอสอนได้เลยเนี่ยพอก้ายืนกันรับรองสอนได้ใครต้องการมักความสงบตัวแข็งเนี่ยพอสอนได้เพราะอย่า พ, พอเหตุจริงจริงเนี่ เนเพาะมีจริงไม่ใช่ว่าพูดอุตลิบมนุษย์หาทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มันเหนเราเราสามารถเอามาแท้มาเวาให้หมู่ฝั่งได้อย่างนั้นอันนั้นมันไม่ทุกจะมันทุกยุคทุกแบบนั้นมันไม่เป้นทางดับทุกเงินนีย่ยเพราะจิตใจเด่นดันสอนได้เนยเพราะมันเข้าใจเด่นผมไม่ี่ว่าไปจำํำคนผู้นั้นผู้นี้มาวาเนี่ยพอยเนี่ยพอรู้จักจริงๆแต่หอดหน้า น, นั้นมันด้เป็ีนอะไรั้งนั่นวิธีทีจ่จะ ทำให้ตัวแข็งจับลมหายใจเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าไปก็มันหลงมันหลงต้นลงปลายลมหายใจเราเป็นตัวแข็งรับรอยูต่ตนี้มันอยู่เรื่องนี้แหละแล้วไมหาว่าเข้าสารนั่นแหะมันจีเนียนศาสตร์จนไดมันลงนีมันเป็นอาการอันเนี้ยสมาธิจัดการได้ตอนนี้ปัญญากรรจัดกี่เรื่องรละเอียดเลยท่นผู้จัดผู้จัดจำพวกปาตา ม, มาราวะ ภาวะาสาวะอวิชชาสาวะไปเหตุมุ่นบันทคนติดกิเลสกามกรรมนี่ ค, คือหมายถึงภพตาเนี่ย k ามมาสาวะจิดคนแล้วเนื่นองด้วยกรรมกามนี่มันหลายด้วยคำว่ากรรมเดียวนี่ภาวะสวะจิดสุดคนแล้วเนื่องด้วยภพวอวิชาสาวะจิตหุ ด, ดคนแล้วเนื่องด้วยจากอาวิชชาสาวะมันต้องเข้าใจอย่างที่อันนี้คือว่า อาทิตย์ินจิตขาอธทิตจิกาสิกขาอธิตปัญญาสิกขาวซึ่งอันนี้คาจัดอันนี้มันจริงจะแน่นอันนั้นอันนี้เป็นอันดับที่สาอันดับที่สี่แบบเนี้ยจิตใจสติปัญญาเฮงหรืออะไรไม่จึงมารวมจวงันเข้าแบบเนี้มันทิพชีใส่เติยงใส่ทุกติ้งทุกย่างมันที่ปรากฏตัวอยู่เสมอเดียวกัน เห็นหอยู่งันเขาเ้าใจอยู่งันสัมผัสอยู่งันอันนี้เป็นวาชาเดี่เขาศาสร์จิว่าเห็นศาสร์จิตว่านี้จิตย่างใส่ใส่มาเสร็จนล้ว่าเขาจะคุกคีกับจริงอันนั้นนี่มันจริว่ามันสแสลงหรือมันแทงเข้าไปมันเจาะเข้าไปมันไปยู่กับอันนั้นแต่ว่าวางให้ฝั่งเพื่อนแมวกับหนูพอดีหนูกระโจนมาแมวมันจับปั๊บหลุ ด, ลดหนูก็ต้องตาย แมวก็ต้องคาบไปเห็นมันคาบไปไว้บนหนูนกตากระต่ามัมนค า, าบไปวางเลยขนุกก็ดิบตัวขึ้นมาแมวมันจะโดดใส่ไหล่จับเอาอยู่อันนี้แหละที่ว่าสิ้นแท้ๆอันนี้สิ้นันนี่นะว่สาสิ้นสิษฐาสิ้นไปว่าทะลุมาสิ้เนเจ้าคณะจังหมดเลยสิ้นลาสิ้นต่ว่าทะลุมาะิ้นทะลุเงินแล้วก็เ า, ายเงยเนี่ย แล้วแร่มันก็ต้องเป็นหินแบบนี้เอาไปเข้าโรงงานโรงงานมันเดือดเอามันกระจายออกไปมันเลือกได้อันนี้คันว่าคนแบบนี้คนนี่คือกันมันมาผู้จักจริงจิงเลยสิคนแปลว่าหลายสิ่งหลายย่างมันมารวมกันอยู่นี้บนณฑิตยานี่มันจะเข้าไปเลือกคัดจับหาได้เขาก็เลยมาว่าในหนังสือวิสุทธิจิตวิธรรมวิจัยะความสอบสองธรรม ธรรมะวิจัยเนยความสอดคองธรรมคือมันวิจัยตัวสกิปปัญญามันจิวิจัยเอาอันเขาไปว่าธรรมะวิจัยยากควมสอดคองธรรมมันนั้นเมาซื้อได้ตำลาเขาว่าเดยไอ้จิตใจเขาจะก็ต้องจริงเลยบ่เขาไปวิจัยจริงเลยบ่มันบุได้เข้าไปสอดคลองมันบุได้เข้าไปวิจัยมันได้นว่าซื้อๆอันนี้เขาว่ายื่มยากคำพูดของผู้อื่นและไปจำคำพูดมาจากผู้อื่น บนันทีกนิวเอาจากทีแล้วเอามาเวาเรื่องอาบัตต่างๆเอามาเวาเรื่องกับอาบัตต่างๆเลยกตัว อ, อย่างเส้นอาบัตพลาสติกเอาว่าเกิดในผลหนึ่งทิศปูเกิดในผลต้องอาบัตพลาสติกทิศตูลักของเขาแบบนี้ราคาห้ า, หามาศกต้องอาบัตพลาสติกเลยทิศตูฆ่าสัต มนุษย์นกคันในคันเป็นเจาะ ต, ต้องอาบัติประเศริฐเลยดังนี้ทิฏตุหรือส ม, มเีปร็จามพูดอว ด, ด, ดอุตริมนุษย์หาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนขาดจากควสิเปิฏฐุขาดจะกควม เ, เป็นสมณีอ่ะนเปนว่าดังนี้เิดเนืุนหนึ่งข้าจเจ้เริหมายถึงเทศตุกันข้ามอย่างเศผู้ญิงมี่เทศตัตรุ น, นีขาจะวางในตำราเสเนือทุนเนี่ย หมายถึงมีความคิดงโง่ๆควมคิดอวิชชาเพศเป็นว่าอยู่น้ำยู่น้ำความคิดอันงงงงควาคิดของอวิชชานั่นแหละเป็นเรื่อเศกเนทุนเสกเนทุนฉะนั้นจึงว่าอย่าไปอยู่กับความคิดอันโงงงจังตันเป็นวัสดจังตันของเพรนเจ้าเพศเนทุนเนี่ยรักของเขาแบบเนี้ยอย่าไปจําเอาคำพูดของผู้อื่นมาเว้าให้เขาต้องปฏิบัติจังตันเป็นอันนี้รักของเขาต้องเป็นเงินเป็นทอง คำว่าเทศเมตกุลก็ต้องหมายถึงเทศกุงกันข้ามต่อ เ, เทศแต่แค่นี้เทเดียวขจาวาตงตันฆ่าซัดบันเนียหมายถึงฆ่ามนุษย์นอกคันนะครับมาถึงฆ่าตายแต่แค่นี้เขาจะวาตงตันตําราเขาจะวางตันฆ่าจะนี่หมายถึงความคิดประเทศนั้นนยานประเทศนั้นนะสามารถที่ทำมันได้ทุกคนแต่มันไม่ทามันไม่ทําจึงงันก็เลยหมันจึงว่าชีิตเป็นหมันเป็นวันวนังนกันมัน พูดอุตตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์อันคือตัวตนคนธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถที่แทงที่เจาะเข้ามาอยากก่างตันใดเจียมวัตถุทุกคนคนธรรมดาคันเมื่อพูดความจริงให้ฝังแล้วโบ่พอใจเทียบโกรธขึ้นมาเจียมตันเจียมว่าคนมันเป็นอย่างตันเขาจะบอกคนคนที่มันมีหลายอย่างู่ในเนี่ยเขาต้องขัดหาเลือกหาจังกันอย่างไดแต่อนี้ต้องจิตใจ เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอยู่สภาพหนึ่งครั้งที่สามอันนี้จะเรื่องสี่งดเมื่อจิตใจบเป็นอสิ่งสิ่งรู้บุตดแบบนี้เขาต้องทํำไปบนันทึกมันมารวมกันจับตุ้งท่าสารจับตุกงแปว่ามารวมกันงานทุกประเทศมารวมกันอาิวากันอย่างภาษาที่เขาเรียนกันหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาลม เลิกกันก็จะได้แยกทํางานก็จิได้คือยังคงมีซี่หนเนี่งเวลาแล้วเลิกพักหยุดงานเลิกทำงานหน้าที่บลิกทงานเนี่ยถองเวลาเลิกแล้วคันไปทํางานด้นมันสายไปมันบนแวีนนั่นเจ็ดจำพวกนี้แหลหยุดงานเรืงงานอนนั้นบุกเป็นหน้าที่ที่ทำสืบตื้นแล้วเขาจะว่าหยุดงานเนี่ยจัดตัวทัพไปรวมกันแล้วสั่งเลิกคือเขาชั่งกันเนี่ยเลิกเลยทำวัดเราเลิกกันก็เลิกพร้อมกัน อันนั้นก็คือกันหยุดงานโบสถ์เขาเรียกว่าจัดตัวทำปัญจมาจฉานแปลว่าโบสมีทุกพอพวกนันหยุดงานแล้วพวกนี้ก็บโบีทุกพวกนั้นทํางานมาพวกนี้ก็มีทุกเพรป็นอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดกิน ง, งานกิน ง, งานเป็นปัจจัยเกิดนามลูกไปตามเรื่องไปเลยเป็นโตกับรเรียองวัชุก โอมนัสยะอุปยญาตไปเรื่องเรื่องเลอเป็นเรื่องปฏิบัสมุกบาตอันนั้นมันเป็นตำาเด้นั่นแล้วเจ้าหนของจริงคื อ, อยัง่งอย่าพ่อว่าพจะอผมวาเดี๋ยวนี้ี่เนี่ยผมฆ่ายืนยันนับรองได้ทุกคนปฏิบัติตรงรู้อย่างที่ท่านพิจะรมี้ไป เ, เขาตำลาแล้วเขาตำลาแล้วติงยังเลียก็ไปจำเอาตำลามาเ ว, าวเ้าเล่ยเรยกว่านไปจำตำามาเวาม้มาติงเนี่ยเลี้ยงกมันก็เป็นหมอดิน้นังสือหมอดกัดไม้แล้ว มันก็บวได้เข้าใจเลยแต่ว่าตานายดอยู่ด้วยตรงจัดกับตานายอีกตืมแล้วมาปฏิบัติอีกซืมเข้ากันได้คันได้จาตานายจะซื้อไม่บอกปฏิบัติซะซื้อบอ่แม่เนี่ย น, นั่นเองพอดีตรนั้นหยุดงานปั๊บเน่ยพอเคยเห็เหุผเบิมเอามือมากดเต็มเนี่ยเต็ที่มันแด่เอามือปดิี่ั๊บมัอเขาตัดลบไปเลยนั่ น, นเอง น, นั่นเป็นมาจิตใจเราต้องไปสํารละเหมือน ข่สะอาดข่สว่างข่สงบมันมีอยู่แล้วจิตใจของสูตรชีวิตจิตใจของจรที่มันดูสะอาดที่มันดูสว่างที่มันดูสงบนนเปเรื่องชีวิตจิตใจของเขาหลงไปขั้วอันนั้นมาซื้อนี่นะ่ออย่างพ่อเคยท่ให้บึงเอาเสื้อในร้อนมัดใส่ัวอย่างเปมัดคูก่เส้นนงไปผูกเสานั้นนึงูกเสานี้แล้วเอามีดไปตัดตรงกลางตัดแล้วเอาใครไปจุด เมื่อตัดวงการได้ดึงตกันเหิเนี่ยเ็นมันมันปดครับตัวน้มันบงันค่นันมาตอทังที่บูเงนั้นแล้วเียที่นี่จตอทั้งบงมาบูแต้มอันไปมทะพมันบงวงการเนี่ยมันหยุดนาดนันมันเป็นชีวิตที่หยุดอะมันบอกัวว่าตาเห็นลูอย่าไปคิดว่าดีว่าตัวอนนั้นกบแนอยู่หูฟังเสียงอย่าไปคิดว่าเสียงดีเสียงตัวอันนับอยู่อันนั้นเป็นตำราอันนั้นนะ คำว่าหยุดที่มันหยุดมันเป็นธรรมชาติของมันอันนี้ศีลาธรรมะเข้าไปหามันโดยเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎตายตัวอย่างนั้นแต่ในการปฏิบัติธรรมะที่ว่ารู้จริงๆเข้าใจจริงขึ้นเมื่อเราไ่รู้จริงไปสอนผู้อื่นมันผิดมันผิดแล้วมันถูกข่ะมันก็บทูกแล้วที่ว่าจะไหนมันทุกข์จะไหนขอมันผิดแล้วเด็ด คำมันโทแล้วมันจะผิดเยอะโยนประกบผิดแล้ ว, ว, ลวขามันพูดเรยดิที่อยางพอเปรียบเทียคือเขาจะไปไปกรุง เ, พเทไพได้หวะเนี่ที่ไปหาพระเจ้าผดินมาสังขารได้มิไปหาสมเด็จพระสังฆราชมาสังรได้ไปแล้วเขาโบเคยเห็นพระเจ้าดินเขาโบเคยรู้จักพระเจ้าแผดินเขาบบรู้จักประธานบ้านเรือนของพรอยู่ตำหนินิพพานตันทานเขาบรู้จัก เม่อกีเข า, าที่ไปหาสมเด็จพระสัลาชทกันเขาบูรจักว่าเพื่อยูขุดใดรูดร่างสันทานเพื่อนจงไดเขาบูรูจักตํแหน่งรูพรเขาบูรุจักด้านีเ้เข า, า, า, า, ข า, า, าที่หาผู้อื่นไป่ด้วยกันขันในหลวงขับจนแปลงตัวอยูก่าากับจีูุ้จักในหลวงเพราะว่ามันมีเครื่องแบบผิดมู่ขัน เ, เีน่เป็นเป็นคนธรรมดาเขาเป็นสาวนาสาวสวยรับรองา่าลอยลอยเต็มเี้ยบูาาจากักเทะ เพราะคือกันเนื้อไม่ที่เข้าไปยังไงวันนี้เขาที่ไปถูกยังไงเขาที่ไปฟังกลุ่มผู้ที่บูผู้จักพาเขาไปเขาต้องไปก่อนที่ไปสอนเข อ, อื่นต้องไปก่อนไปเห็นรูปร่างลักษณะสันฐานรูปจักบ้านเฮือนตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ไปเห็นสมเด็จพสังฆราชสุจักรูปร่างสันธานหน้าตาเพิ่นเป็นอย่งางนั้นที่เขาก็ไปเห็นย้อถนนขนทางก็จําได้ อย่างพระเจ้าไปดูนั้นที่รถมาประเด็นก็จำได้นลี้ยงยางออกมาตามถนนของทางก็จําได้นี่ยอันนี้คือกันการที่จะสอนธรรมะนี่มันเป็นความลึกซึงที่สุดคํำสอนของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดเหมือนกับน้ํามันที่ละเอียดที่สุดตั้งกองเอาไปเป็นเมือนยื่อน้อนเลยเถอะฉะนั้นเขามาศึกษาเนี่ยมันเอาทางเสี้ย ทั้งแกนทั้งมอกทั้งกะทิทั้งทุกสิ่งทุกอย่างน่ะผสมประสานกันแต่เรื่องการเจริญปัญนานี่เป็นเรื่องที่สำคัญควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อศึกษาโดยรู่โดยเข้าใจแล้วมันที่ไปคิดนั่นเองแต่เรื่องคำว่าจัตุทสารแต่รวบรวบปัญจมาการแปลว่ามันสูงยังไม่สูงไม่ดีเลยมันมีอยู่ ควาสม่เตว่ามันมีใช่ไหมมันดับมันดับเสือโลดดับนกระสนที่เป็นมันมียิ้มมันมียื้มันทีเป็นเองนขึงจิตมันเหมืเป็นเกณควรเป็นเองนนี่แหละคนว่าเป็นกฎของธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งมันเป็นเอ็นควรจะนี่ดีมีอยู่ในคนทุกคนไม่ระเหิดจะเป็นคนทร้างใดก็ตามเพื่อส่างเจ้าน้ดก็ตามมีผ้าเสื่อไรก็ตามมีในทุกคน คำสอนของพระพุทธเจ้าจว่าสอนขนตัวเตี๋สวนจเป็นเตีาสนาเตี๋ยวขนเตี๋ยปฏิัญญาจึงเป็นเตีวาตาสนาเตีวขนจไมเป็นเตี า, ตธธ า, านาังนั้นเตววันาอารามีกัเมรูดอันีเป็นศาสนาสมมติ่สอนจังสันุิเจ้าสอนังนันมันที่มีเตี๋ยมีกระทืดมีแก่นมีแก่นเขน ครวต้องปฏิบัติให้รู้จริงๆถ้าเขาเอ้าเปียกไปใหแก่นกระบได้เจ้าพี่กันที่มันไปใหเแกยนกรบโบได้มิจเจ้าโจมอกมันตปให้แกยนใจกลางมันกรบโบได้มันกรบได้เลยเพะงั้จึงาเขาอย่าเข้าไปอยู่ในมือขันเขาเข้าไปอยู่ในมือมันมันจะด้เห็นมึงขันเขาเข้าไปอยู่ในทั้มมันมันจะเห็นทั้ม ถ้ามาคอยด้อยผมคิดนี้มันคิดมาวูบนึงเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจมันที่เป็นยวิถีบวกกับลบอันนี้เมื่อนึ่งเขาคิดลอยเรื่องอะไรไปเอารู้เรื่องหนึ่งมันก็ไปถึงลอยแล้วมันก็ได้เก้าสิบเก้าท่านั้นวันนี้มันคิดมาต่อเรื่องเขารู้มันก็ลดลงมาลดลงมาทางที่ก็ไหลขึ้นไหลขึ้นทางลบก็ออกไป ทางบวกก็ได้ขึ้นมาเจนน่า่นฉะนั้นต่อมาเรื่องนี้นะที่จะขัดขัดกันให้ขัดเบืงของจิดขัดเบืงของคิดพอดีมันคิดพุ๊บหันปุ๊บหั น, ป, นประมาณเท่าใดแล้วที่ผู้ที่เป็นอาจารย์สอนขาเจ้าต้องถามนะปฏิบัติเรื่องลูกนามรู้จักแล้วสอนให้เบงของคิดต้องสอนให้รู้จักว่าข้าเจ้าติดผมได้แล้วอย่างน้อยต้อง เจ็สิบเปอร์เนี์มสดสิบเปอร์เซ็นต์มเก้าสิบห้าเปอร์ซันเข้ามาถึงเก้าสิบห้าเปอร์ซนตะต้องอาจารย์ก็ต้องระมัดระวะังเตรียมตัวเขาเป็นอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวเลยเตรียมตัวจะเลยไงให้คนนั้นเข้าอยู่ในห้องอบรมคอยอย่าเต็มมีอารมณ์จะไปพูดไปคุยกับคนอื่นให้คนนั้นนะคอยต้องปฏิบัติจริงๆนะครับคอยไปซีไปซีเนี่ย คนคันดีซีเนี่ยมันบูรู้ษจักเนี่ยหองบทบชนพระพุทธเจ้าของันเป็นปุถุชนนี่คอยฟังคุณจีเนี่ยมาที่เห็นไปตามเนีของครูบาอาจารย์เป็นอะไรพอดีมาที่เปลนเองเนี่ยเมื่อเป็ียนเองเลยวะหน้ามือเป็นหลังมือดำเป็นขาวหนักเป็นเบาโง่เป็นสลาดหน้ามือเป็นหลังมือเป็นไกี้มันเอาหลังมือมาเป็นหน้ามือมัมีเปื่ยนน้ากันเป็นะร มันเรือความเงื่อมันมียุทธไปคนหรือควมเือนไปที่หายไปมีคมตลาดขึ้นมาแทนคนดามันมียุทแตปคนอ่ะดำมาที่หายไปความเา่ามันขึ้นมาแทนเป็นอคับความเป็นผู้ทุนริตเนี่ยมันขึหายไปความเป็นอะไบคมันขึ้นมาแทนนมันกระติดแทนกันไปตามลาดับลาดับลาดับขึ้นไปเป็นอ้ไรครัเกินถึงที่สุดมันต้องเป็นทางตันจริง พระเจ้าสอนแนบวบกพิตคำสอนของพระเจ้าสรุปความโก้ความโลภความหลงเนี่ยมันไม่ได้มีที่เขาเขาหลงชีวิตเขาเขาบกเคยเห็นชีวิตจิตใจของเขาเมื่อเท่าไรที่เรื่องมาว่าให้เขาเข า, ะะานละ้นไปจับเอาไม้มีจับเลยแล้วไม้มือจับโยอวิชานั้ไปจับออกมาถ้าจับออกมาแล้วมันกุ้ง มันฟุง้งกระตุนสังขานตังขานแปลวู่งแจ้กันหนักแล้วบ่นหนักใจหนักใจนั้นาก็โอขึ้นมาแล้วบ่นเขาเรืบุรู้จักุกด้เบนมันหนักอย่างน้อยต้องร้อยเปอ็นขัไได้นะอันนั้นคุณรอยเอิ้นตกนรกทางเต็ถ้าห่างน็กก็เมื่อตายมีแท้กันเอาตายจะกะ็ไปตกนรกทนแทนดึงหน้าคุณจาดหน้าจะเอาด้ยเห็ุเนนรกมืออื่นจาดหน้าเขาด้ยเหตุ เราเห็นเป็นย he ัป็นปัจจุบันตอนี้เมื่อเขาบ่มีทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วได้บ้านี้เขาบ่มีข่มโกดขมโรคข่มโรคพิิว่าตั้งเขาอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นสิริจิตใจเขาอยู่ตงีเขาไ่มีทุกข์เนบ้เนีรืองนีะเนี่ยนมีทุกข์แล้วหนักใจเน่ยบ่คนหนักก็จมาคิดฮีดเน่ยบ่เอาฮีดไปโยนลงน้ำมาที่พูหรือมาที่จมดังนี้นเอาไม เียไม่แห้เนี่ไปอยู่ลงน้ามาที่เจมบ์เนี่ยอันนี้ก็คือกันฉะนั้นจิตใจดักหนักเฮียตายแตแล้วขันนรกนี่จริงๆกับสุทีหินนั่นแหละปเจมติ้งลงไปตกนรกพุนโลสุนวันบันี้ันจิตใจมันเบาแล้วมัเนี่ยขันถักสรบัณิตพนมีสิิงว่าันตายแตแล้วมันก็เบามันก็มุ่งมั่นฉะนั้นจือว่าพระบันฑิตพานเขาไม่ได้เห็นด้วยตาเขาจนโง่มันจะเห็นจังไงมันต้องเป็นคนชล่า มันต้องเป็นลูกจิตพระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ใดเป็นลูกจิตพระพุทธเจ้าจึงว่าคนว่าได้กระแสอันมีฐานและดวงตาเห็ทนทำคนว่าจิตใจมันบนหนักสั่งซันเมื่อหากจะมนมีฐานมีจริงตายแล้วก็ต้องได้ใจจริงๆโดยต้องพัฒนาดอกอืออันนั้นลูกก็คือกันโดยต้องได้พัฒนามันดอกคนไปลักจิตลักใจลักหัวลักป่วยปิดกฎหมายนีเนี่ยของจิตเทีเยต้องเห็นจิตตรงนี้นี่ยเพื่อจะเลือกมาจดใจรด หน้าเสียแล้วเขาจัดมันจะดไปคอบส่วนมันเนี่ยจัดคอบส่วนเราต้นส่วนปลายโดยผูกมันเนี่ยเขาก็จัดไปเข้าห้องขังไปเข้าตารางซะหนี่ยด้านเหนือเขาบอกได้แต่ลักเกิดลักใกล้แบบเนี้ยไม่ได้ยึดยางบุตรคนมาบ้านเหนือมียังไงางเป็นตำรวจเขาก็สบายใจเยอะแบบนี้เขาจะเขาจะจับเขาอันนี้ก็คือการเป็นเรื่องตสมมติอันที่เราเนี่ยเพื่อช่วการปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติจริง เขาเข้าใจจริงๆให้เห็นแ จ, hés, จ้งรู้จริงๆจริงจงนําไปสอนคนอื่นรับรองได้จริงจริงนังไถ้าหากรับรองคําพูดต finish, ics, 對對ัวเองบ่ใดมันผิดเปเลยเดี๋ยวเราจังนึงไปปฏิบัติจันึงเหมือนทีไต้ไดบอกเราต้องพยายามปฏิบัติตงกับคําพูดของข้อคําพูดของเขาว่าเป็นยังไงซมันต้องตรงไปยังไงเรื่องธรรมะมันต้องตรงในแท้ด้วยผิดบ่ด้วยผิดเคลื่อนไปนึดเดียวกับภาไปโลด ดะนั้นควยมีวิปัจจุณูมีวิปัสสามีจิตญาณตรงกันข้ามเพื่อทำลายวิปัสนาเจตปัญญาของวิปัสนาจยากเกิดขึ้นได้ยาเพราะวิปัสจุณูเพราะวิปัสสนาเพราะจิตญาณถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่นำมาสอนเนั่ยนะรู้จักวิปัสจุณูดีรู้จักวิปัสสนาดีรู้จักจิตญาณดีผู้ที่เดินตามมันกับโบขัดค้องเพราะว่าผู้นั้นรู้จักเนีเอาละผู้นี้เป็นวิปัสจุณูแล้ว คอยแจ้ขาริพัตนุออกไปเลยเอาแล้วคุณนี้เปนีนประหลาดแล้วคอยแจ้ขาประหลาดออกไปเลยเอาแล้วคุณไม่เปาา็นจีนจักรยานแล้วคอยแก้ไข้าจิตจัยาณออกไปเลยเลยเขาไม่เสียเวลาเนาทะที่เดินทางต่อด้านี้คนที่ผู้โดยไม่อยกไปก่อนเขาคือวาเมื่อกี้ที่ไปหานายหลวงนายหลวงไปคุณเมื่อกี้เนีส่สวนทางกันอย่คล้ายๆถึงเขาออกจากวัดที่ไปแต่หลวงเข้ามาในวัดแถานี้เขาบอกให้จับนายหลวงนี้เขาจะไปหานายหลวงมันที่ตามท่านพศบอก ต้นเข้ามาในวัดเขาไปขึ้นขึ้นรถไถเล้าเขาต้นก็มาหาเอาบุเห็นเมื่อกี้ขี่รถกันมีรถนี่เมื่อว่าต้เป็นสังฆราชที่มาเบืงวัดเขานี่คือกันเขาออกไปที่ไปหาไปมีมนพระเป็นป็นสังฆราชมาเบงวัดเขาเขาออกไปแล้วตนก็ี่รถเข้ามาสอนกันเขาบเขาจับเพื่นเขาก็ไปตามหาเพื่อนบันเพ่นมาหาเาก็ื่อที่รถนี้อังนั้นการพาฒนาถึงพระสีอะไยไม่ใจก็คือกัน เขาดูให้จักผ้าซีอัลีนอไนต่มาจี่หัวจักได้จังใดที่ไต่ดำเพินได้จังไดเขาต้องทำตัวของเขาให้เป็นผ้าซีอัลีนอไตเป็นลูกติดตัะกอนตอนผ้าซีอัลีนอไตเนี่ยเขาที่เป็นเอาผ้าซีอัลีนอไตอั น, นเติมื่ปีนั้นอันนั้นมันไกาเอาเป็นลูกสิดพระพุทธเจ้านี่นะที่มหนโอนี่นะอาจจะเป็นผ้าซีอันอตไต่ยานังกระได้กันถ้าแปล่เปด เป็วนวันอย่างนั้นีได้ว่าง น, าน้ำดมินสีตัวต่อเสือได้เป็วนวันตีส่อขอสลางมีตัวหลอกตามเป็นวันตีได้ว่างน้ำตีตัวนคนงามียังไดเนี่คนงามางก็ต้องมีสินตีนคนโบงาณหน้าตาโบงาณมาที่มีสินบ่มันก็มักโกดมักโลบมักหลงสินว่าเนี่ยสินตัวนี้ถ้าตีตัวนี้คือว่ากำจัดกิเลสอย่างกลางใดอาอรืดในว่าค่าสิดยะตัวคนใจ เนี่ยพระศีอั น, นี่ไม่ใจมันหยไดใจขันเบาอะ่ะอันคนที่บ่เข้าใจแท้ๆเน่ยก็ต้องอยู่ใกจกั้นการเจาหาสวัสดีฐานโ็ดีต้องไปเจาเอานนอกตัวของเขาแล้วงากที่จะเห็นใจงากที่จะรู้ใจดังที่ตายเต่าแล้วโบยรู้แล้วเขาจะเจาเอานอกตัวขอ ง, งเขาคุณเจานี้เฮาห้าเอาที่ตัวของเขานี่ ม, มันมียีนี้ตะวันมันก็มียีนี้ จึตพามันกันมิยุนินิลโลกมักคันมิยุนิเอื้อมหมังคันมิจุนิอาศุลกายหมังคันมิจุนอาตุลกาย็มัยคันีิจุนคำว่าอาตุลกายมีหลายหน่วยแปลอาตุลกายแปลผู้อ่อนแอะหนึ่งว่าขนานันหนังสี่หน่วยอาตุลกายแปลผูอ่อนแอทาการทางานโบกขึ้นแข็งมาซะหนึ่งว่าเคนอ่อนแอทำการทางานบบเขึ้นแข็งในการกิ่วใดใดบอกกับโบได้แล้วอันนั้นมันตำหนานึ่งว่าเมื่อพอว่า นี่ง ouais. ี้พ่อปฏิบัติหูจักอะสุรขาเดียอะสุลขายเปนี้เปรี้ยฟุกไก่น่ะไก่นักไก่จักคนจริงไก่จักตัดจะทำเงี้ยพ่อเข้าใจจริงอ่ะสุรขายเดียวถาเนานนะถ้าเปลานนี่คือตู้ตัายเียพอเปรียเอาคือเตมมาหรือเตมหนักหนึ่งมันอยากข้แตหมนขี้ เมือนกักเตงกันจนมนก็เตงไม่อกนอนจนันก็นอนเนี่อสุรกายเป็นสันคือคนก็ดีคนละอายนี่เนี่ยเบลละอายต้องคำพูดตัวเองเบลละอายต้อิที่ทำผิดตัวเองเบลละอายตกยืมตัวเพื่อนเขาอิ่นอสุลกายเออเป็นกติลท่านกติละท่านเดวไม่รู้จะอายเขาว่าอย่างจังเต้หมายถึงกินวยพอกินจิตกินเจ็ดกินอันนั้นอันนี้หูดูว่าใส่จะเถื่อเหินเต้ากมันเนยน้อย ห้องเหนือนยงมีวีฐานเรื่องหนึ่งครูบาวอนให้ฟังมีเต้จำนวนหนึ่งนอนห้องอยากดื่น้ำอยากดินมน้ํายากกืิมน้ำวาเต น, น, นอนอยู่ตามริมน้ำนอนอย้่ต่อฟังน้ำด้านโน้มนมีพระพุทธเจ้านี่ไปบิณฑบาลพระที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปบิณบาลทั้งห้าร้อยคนในวัั้นแต่ถามห้องเมื่อไงงถามเต้ อยากกินน้ำเนี่ไม่กินน้ำ Them, น้ำไหลท่าทายเนยนะแลนแต่คุณไปเห็นน้าเล่มต้นตายหลวคุณพระพุธเจ้าไปถามนี่มันอยากกินนาำเนี่ยโดยเห็นน้าเนี่ยน่มานอนดังนี้พระเจ้าก็เลยเอาทิตูจานวนนั้นเนี่ยจานวนที่ไปแต่พระเจ้านึ่งเอาบ้าตักเอาเต็มทุกคนทุกคนมากอ้าปากขึ้นแล้วอ้าปากมันก็อกตา้ตั้งห้าร้อยรูบเลนะ บ้าทมนตักน้ามาทุกคนพอกไปตากันมือตั้งห้ารอยบาทนันทำอี้ด้วากันมันอี้อี้ดเพพอที่ทาไปนคนน้อยเดียวพอจะซุ้มนี่วันนี้มันหีวอยู่ขนาดนั้นเลยที่ว่าพวมม่หิวได้ค่นวันเรียบเตินี่อันนี้เนี่ยพอเข้าใจว่าเปิดหิวอยู่กินด้วยใจาจาเคือเพื่อว่ารู้จักให้รู้จักคนอนเสิร์ตทกันก็นกนให้รู้จักอยากจะรู้จักไปติดหนังสือ ต้องมารู้จักตัวเฮาอีกเพียเ่นึงเนี่ยเป็นอดเต้นนจกตักจักรการมาถึงรู้จักขา ย, าขา ย, ยกกจากจักรกายนั้นหมายเงว่าอยู่ไกลจากทำสอนของคุณเจ้าให้เฮาดูจักจังจังอันนี้คนรู้จักตัวนี้นะมันต้องอางานทั้งตีตัวเนะี่ยมารวมกันสักคนที่เข้าถึงสภาวะอาการเกิดดับหยุดนะที่จะปลักวกขึ้นมาได้ในเมืองเนี่ยพอยันที่เรารู้จักแล้วเนี่ยรู้จักหลย นีย่ยเพราะว่าให้ฟังเนี่ยอันเนี้ยเต้องปฏิบัติกรไ ด, ดไจดจเอาไปปฏิบัติลเนี่ยเขาไปแจ้งยว่าเย้าคนจริงให้ฟังเนี่ยเป็นว่าเอาน่ดวงตาเห็นขำดวงตาอันนี้เห็นหอกใจเห็นดวงตาเนื้ออันนี้เห็นตาเนื้ออันนี้โอ้ยมันจิตไปมวองเห็นอนไดเนาะมันก็มองเห็นตั้งแต่เินส์พระโตลาตั้งแต่จนหมลนี่เสมอใจมันสามาถ เ, เจ็บได้เฉพาะันต่นเมื่อจะเลนสตีประธานซี่เนี่ย ขึ้นมือขึ้นความือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยทิษตาอ้าปากคืนน้ำลายพานลงไปเป็นมขวดให้มนสติรู่เท่าลู่หันรูน่กันลูกแก่อันนี้เป็นวิสีจเจริญสติสถานที่เด็ดลัดลัมันเก่งกระตำนาว่าจะมุตตรงกระตัมางแค่มันมีวิสัาตำนาหคือบันไดกันโยนเหียนเดนุ่หลักสุดนครจันสี ทำที่มีสกะมากสองอย่างเนี่ยหนึ่งสติคนละลึกได้เนี่ยก็รละเลกได้เุืพิมือขึ้นการละเลิกได้สนุ่นสองสำแปลจะเนีคนรู้ตัวก็รู้ตัวยื่นี้สนุ่นแกมันบุนี้บอกมาสอนกันทันเนี่ยเทิดาจยืนนี่เนียรู้ตัวยืนนี้เนี่ยหายใจยืนนี่เลี่รู้ตัวยืนนี้อันนี้เลยเรื่องสติปัญญาใจไกจแกมันไปสอนไกใไก่มันก็เลยรู้จักคนที่สอนน่ะนะสอนตามตำหนับตำนาชื่อฟนีน่ะ ถ้าหากไม่เนีกพอสอนนักทำทีเนี่ยพอรับรองว่าบ่ให้มันอออไปสอนเต็มแบบนี้อน่ยพอที่เอามันอยู่เสมอเนี่ยมันกคนรู้จะเนื้อคุณอันนี้สอนกันไปตามลำรับมามันทีได้ดวงตาเป็นทำจากเืวดาดื้อแข่กันแล้วต้องไปนั่งหลับตาสะกอนนุกพุทธโธพุทธโธลุกพองเนาะลุกเนาะไปสอนกันยุบุญอ่ะมันไม่ได้มาสอนในคัมภีร์จริงๆเนี่ย เรามาแซงกันในกัมพีจริงๆเราคงรู้นั้นก็คุณฮู่ทจคนของมันมีจิตมีใจทุกคนเราถือมืโบ้ได้ยินต่อเทียมมันก็ะดิ่งเนี่ยทำมันสามหนึ่งเหนนเหียนนักัมีนี่เราถอมือมหนึ่งก็ต้องคิดมือหนึ่งใครไดก็มันพอหูยิ่งได้มันกาอหูอยู่ที่มือถือมือเนี่ยนักทำโก้ไปกันนักทะเลแล่เมือกาะหูี่มือถือมันก็ถึงหูเต็มหดเนี่ยตำราขันคนไปฟังธรรมะจ้าพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมมาส แราวุ้มควรจะกวนญจิ๋มให้ฟังขวัญผู้จิ๋มคนบนมน่ม เ, าเอาไว้เพื่อแสดงทําเพื่อกระเทือนและเทือนนี่นะมีคนไปฟังธรรมมาจากพระพรุทธเจา้าเป็นรอยเป็นผ่านเป็นมืดเป็นแสงได้ดวงตาเห็นธรรมมึดเดี๋ยวนี้เหาไปฟังเทศฟังธรรมทิฐิบุญพระฤ ท, ทุกปีแล้วก็ทิฐบุญบ้าน ท, ทุกปีทิดิกระบิ่งทุกปีข้าวตาทุกปีไปแล้วก็ไปฟังเพศเมื่ออยู่กันด้วยซังซังแต่มันเก่าบ่ ความโคบขมโลบขว่มลงควมหิวของเขาบ่ขันัวบ่เสาขันอยมอบ่เสาขันหอยังบ่เสาันหอยยังเป็นเต้ยอยู่เลยจีวะยังไงฟังเทศแต่ละกยังหิวยุ่ก็เป็นเต้ยู่บะเสาเลยวันนี้คันหอยฟองเทศจําจเนี่ยขันเอายังไม่มีคนละอายยุกกบยังเป็นสัตวีในกรจาดอยู่แล้วันนีนขันยมบ่เสาคนกู้เยเขาเป็ยังเป็นสัต์เล็กอยู่เลย ท่านทายาทบุกเข้าใจคำสอนนั้นก็เขาไปยังเป็นอัติรกายอยู่แล้วบบนี้มันเป็นอย่งไรนี่ยเพืาว่าตั้งใจปฏิบัติเรียนหนังสือกต้องเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อไปเป็นเครื่องมือเขาฝึกใจกับจิตให้เวทนาส บ, บายก า, ารซื้อกันขายของกับจิตสบายเขาก็โบิบ่งโง่เขาจิตสลับมืน้อยเขาใจน้อยมือมากเขาใจมากอันนี้หางเงินได้น้อยใจมาก มันกะจนกันคนน่ะจนรอดกินข้าวคนเนี้ยพอเบิ้ลทุมมือี้เม็เข้าตกเกิเลือดหลากพอการจะใส่กินคนพระเนรกคือกันพ่อไม่ออกก็คือกันแล้วมันจ้อนกันจังไหนอ่ะร๊ลองมาดูเมืองไทยเนี่ยเ่็ดข้าวตกคนละเม็ดมาดูมันจกคนขนต้องสามติดที่ิลานมันก็สามติดี่ิลานเม็ดเสนอแต่เด้่ยตรงนี้ก็กระสอบกระจนกระสอบเตริมินนี่เตอรินตะกิดมันอยู่นี่ไก่ดิเหมืนมเตอร์ะกิดอยู่ไก อันนี้บ่ไ ด, ด้อกินข้าวจนฝปันปวยหมดน้ำในของอันหยาอยู่ในข้าบบางคนบางคนกะดีแต่บางีนคือว่ากลัวหมดเลยบ่มคเป็นหมดบางคนกับเปลี่ยนบางคนกับบ่เป็นคนือสอนจังสีหลักประหยัดทุกการสอนให้งหู้อยากกินจริงกินข้าวกินจน้ำอันวกิ น, จนข้าวบ้านอย่าพอเวลอันว่าตานตัวนึ่งคือว่ากินข้าวอะไรเนี่พอมันปากภาต า, ทา กาบวกค่อยู่กับเรื่อนหนังสือเพราะเ่ยพอไ่ได้เรียนหนังสือเด็กไ่ได้เรียนหนังสือปอนึ่งอสองยพอไ่ได้เห็นหนังสือเ่พอเพิ่งมาเรียนหนังสือไทยเข้าใจมาริตาพุทธยานบ้างก็นเพชบุรนนียายปู่เพีงเลยนี่ยพอมาเข้าใจน้อยๆแล้วกปเรียนมาหัดเรียนมานำมู่นาเพื่อนอยู่เขาึ่ไม่ดอนี่แหละเพืดตอนท่เพอจะบอกเกาย่าพอไ่ได้เนีูเป็นครูละ เออเป็นเพื่อน่ายเน่ยพอโบเคยติดจิตแล้วก็บอเคยติดเนี่ยพ่อโบเคยติดติดตำหนักนั้เนี่ยบอบอเคยติดเนี่ยพ่อพ่ออย่าฟองผู้จังเลยสิี่ยพ่อโบเคยยึดถือกันใครที่ว่าตั้งแต่เมื่อนายพ่อรักคำพูดของมูงเน่ยพ่อนีเพืมาต่อยนั้นเนี่ยพอเถือบุญคุณบุญคุณมากที่สุดการที่จะนอาบุญคุณอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะไปนอนเปัวี่เึงนอนขี้เป็นว่าที่าน เพ่พอเห่าจิตชี้หัวแดงแต่ลมนอนนะเป็นขี้ใสอาจารยผู้นี้บวชอาจารยแล้วกต่ผู้นี้เลี้ยงอาจาเป็นวามีลูกอยู่สองาคนแล้วผดจะตอบบุญแทนคนของพ่อแม่มากก่เลยผู้บวชผู้บวชตายแต่แล้วเต้นใส่เสียนนรกคนโอ้ผ้าเรืองเรือลูกตกแฝงไปแกงนั้นแฝงไปนร ก, ก, กนนกีนน้เป็เรืองเืองสุดผ้ากี่หว เจ็บขี problem, data, at, that, ้ไปเป็นนอนไข้ไผ่ที้ไทยเนียวผู้นึงเลี้ยงมาต้องเป็นน้อยคุณเพื่อนมัก็เลี้ยงพอเลี้ยงมั้ก็ตายผู้นเบื่อจูงพ่อจูแม่ยอันว่าจูงแถวในโบนันเลยเบื่อจูงไม่มาถึงให้ข้อคิดเป็นธรรมะคุณเนยอันเห็น่าเหลืองๆนี่ก็จะีบเอานบอบติดสมมติเป็นปุกกระดาษทิ้าแสดงการที่ตอบดึงคุณของคุบาอาจารย์ในเบื่อมีคาะน่พอเข้าใจแล้วที เพิ่มเปียบไปว่าเหมือนนำจอกบวกีแบคือเดหนองดกบวกีวกแบนมันใบจีง่ายตปนนั้นมกลวนอนนั่นมันบ่กลัวมดมันกลวอไดกลัวนอนแล้วนุะน้อ ย, ยบินอด้ความฟาวอะไรเยอมันบินคืนตึก บ, บางพระอาทิตย์เปบได้ที่ไปทุกโลกกับโบได้เา็นว่าการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์นั้นยากนะตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่เขากัานยากนะ ที่จะตอบได้คือเขาลบตัวเองการเขารบตัวเองนี่แหละเป็นการตอบบุญแทนคุญของพ่อแม่การที่ให้ทําเป็นทานเว่าแทนพระเจ้าเนี่ยเป็นการตอบบุญแทนคุญของพระเจ้าอันนี้ที่อยพอเข้าใจก็คือะไม่เอาเงินเอาทองให้อันเงินอันทองอันมีอันรุน่งเร่อไแล้วเขารบนับถือครูบาอจางเขาลบตัวเองอน่ยพอเข้าใจที่บริสุษษษษทธิดพระธรรที่ไหนไมีเุ่นเพิ่งสต่ที่เขารบนับถือเป็นตามธรรมดา ขึ้นมากะที่เขาลบพระพุทธเจ้ามาลูกบาอาจารย์มาเนี่ยเขาขับนี่ยพอบทเป็นคนลันขับกันเอี่ยพอรู้จักการซ้อจิใจเนี่ยพอเย่ยพอที่กล้ายืนยันรับรองคาพูดเนี่ยพอชุกรับถ้าปฏิบัติแบบนี้เี่ยพอรับรองไงเอาตามปีย่างนานที่สุดจะต้องฮ็ดกจริงนะเลิกงานนะตามตีปฏิบัติติดก็กนมนดยกโทนะย่างนานสามตีย่างกลางให้เวลาตีน อย่างก่างให้เวลาปีนหนึ่งสามรอยี่สิบห้าวันและอย่างเรื่ที่ดนับตั้งต่เมื่อหนึ่งถึงเข้าจุดมือเรียกว่าสามเดือนเรื่องผมโคบผมโลกคมลงเรื่องคุคคงคยมันถือมันเนี่ยสองประเด็นเนี้ยหายไปทั้งเ่มักก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปละในเดือนสิบเเรื่องตื่นจะปรากฏขึ้นมานั้นเอาให้เวลาตื่นให้เวลาตื่นเรื่องตื่นลึจัก พวกที่กิเลสจังอา่างการให้เวราสามปีแต่ละตอนสุดทายเรื่องอากาศเกิดจับอะไรบวกกาหนดได้เรื่องนเพราะว่าเรื่องตัวเองว่าให้ต่างระบุเขาใจเรื่องเงิเนี่นนยพอที่มีความสามารถทพยายามเจาะเข้าไปเลยให้จิตใจบเบนลงไปหัน่นเป็นอยางนั้นเี่พอคิดเอเพอก้าได้ครับ้คนเนพอรับรองลอยกิดสิคพูคนเนียพนและเป็นวิธีที่ประณีตประลาดญานพอว่าเพอหู้จักมาพอสมควร เพราะอย่าเราะปฏิบัติจริงจรงนี่ไมัวเื่อมไปจาเอาคาพูดของคนนั้นี้เนี่ยเขาบจําเนี่ยพอเราเนี่ยเนี่ยพอเราจําจริงทัศนคจิใจจริงเดิมเนี่มันคือว่าไปจาคเว้าของผู้นั้นจำคาว่าของผู้นี้บดเนี่ยเขาบจับเนี่ยพอเอาคนจห็นเนี่ยพาะจริงจิมาเราเป็นการทอดมาจากบทริดใจแล้วไปสอนผู้อื่นเนี่ยพราะสอน้วยเป็นจิตใจเนี่ยเขาสอนหาังค่าจ้างรางวัน ก็หวังว่าจะให้คุณหันมาเรียกมายองอย่าพอี่เขาบอกตอนคุณฮันอาจจะคนทุกข์ตื่นตื่นนะพอพระเจ้าคนมาจงไรตอนคนได้เป็นพระรหันต์มาเนี่ยเลีอยงแล้วพุทธประวัติสัดเงอนเลี้ยแล้วเมื่อไปพบเอากับทุกปกาที่เลียกคนหนึ่งเบาคนจริงให้ฟังโอกปั๊บไปเลยอีสารนั่นก็แลกรืเนี่ยเนี่ยโอ้ห่ แล้วคนจริงให้ฟังมันเป็นนังซีเแต่ยคนต้องการคนจริงเอาคนจริงให้บอกเนี่เพื่นจ๊ะมันเป็นขนาดนั้นแหละเม่ว่าธรรมะให้ฟังบ้านนี้แต่พอปิตาพุทธะเขาได้กลาวคาเกียนกันมาต้องอมครอบอมคอามหมายฟังเข้าใจและบ้านนี้ไปพบออกพบแต่จ้าวัสีกันเพื่อนก็พยยามยอมฟังอีกสิ่งฟังก้อนฟังก้อนบอให้ฟังลายเพื่อนเป็อด ตกทันใสฟังให้ว่าจะไสเมื่อฟังแล้วโอ้คำคำนี้บุเคยได้ยินจากเธอเอะไปที่จันนาอัญญาคุณอัญญาก็เลยรู้ว่าจะแหน่เมื่ออัญญาคุณอัญญาแล้วรู้แล้วกับมุนกับ่อยรู้จักเมื่อคุณรม้ตามได้วคุนสอนตั้งไรแต่เนี่ยคุนสอนน่ะคุณเจ้าสอนน่ะเรียนเรียนแล้วสวัติิ์จ้ะคุณสอนว่าถ้าไปเรียนนักทำปีนักทำโทนักทำเอกเรียนมห่มมหากันเนี่ยคนไม่ได้สอนจังปั๊ ต้องก่อนจะเธอนลยแล้วต้องไปทันาทีไปจะการไปสอนข้าเจ้าข้าเจ้าพุดถ้าข้าเจ้าไมดคุดนี่เป็นมาเธอไปดังพ้นเพร่ะนไปดังพ้นจะไปนำกาสองคนสามคนนะใส่บนล็อกคนเราที่ไปดังพื้เพเดียวคนจอดนอันนี้เขาเบี่ยให้จังใจนิดหนึ่งอันน้องเขาคูแล้วต้องจำไปเอาไปเอาเงินนี่เอาเงินเลี้นี่นนี่มันตรงกันข้ามเนี่ยกขาอนแล้วก็หยักมึหคเนี่ยคูคูเนี่ย คาร์ดูเลสเนยมันตรงกันข้ามทั้งหมดยังเรียกว่าการซ่อนการเรียนมันจึิงว่ามันไก่จากคนจริงมันก็เลยมาได้คนจริงจ้าเกลือเมื่อซ่อนออกจากคนจริงมันจะได้คนจริงหรือคนนะเมื่อต่อนเข้าเปหาคนจริงมันก็ได้คนจริงกันะวะย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระริมิพานไปแล้วบ่มีนมรคนมิพานบ่มีอะไรรูโอ้อันนึงเข้าใจผิดนักที่สุดพวกนี้แหละทาลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัว เมื่อพุทเจ้าจะเป็นนิานเนี่ยพระอรณถามนะไว้นะพระองค์นิพพานจะเลือผู้ใดที่เป็นครูเป็นอาจารย์นอนท่นผู้ที่แนะนาตั้งสอนนอนท่านที่ให้ผู้ใดเนี่่านเป็นหัวหน้าเปผู้สอนเนี่ยพระพเจ้าบได้บอกว่าให้องค์นั้นเป็นเก้เนะองค์นี้เป็นเก้เนี่ยเขไ่ได้บอกสั่นๆเขาเนียยให้ทุกคนเป็นแกเป็นงาและเป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะคนเงี่ยให้แล้วถ้าทำที่ไหนลับฝ้าไว้ดีแล้วน ขันธ์เก้าวันนี้เราต้องขันธ์ลบขัะธ์วิในตะเรียนอันนั้นที่เลียนสมาปฏิบัติที่ทัาธ์วิในนั่นแหละที่เป็นก no ัสดาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแผนเล่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เอาอย่างนัี้เลียนน่ะป่ะฟูได้ดักคำตีฟูได้น่ะคำโพษฟูได้น่ะคำเอิดฟูได้มหาตะเลียนอย่างนั้นอย่างนี้เราล่เนี่ยเอาอันลู่อันนั้นมือนเ่็นเ่ของเข่าว่ะไปเยือนเอาไปฟูอินมาวาว่ะนี่มันเข้าหลักเลย หลักของเขาหนึ่งเนี่ยมันเข้าหลักเลยพู ด, ดอิตาลีมนุษย์หาทำคือทำอันยิ่งของมนรรุษย์ไม่มีในตนเนี่ยมันเข้าหลักไปทันทีเจอแล้วได้เหมันเดนเนาะกันนี้ตำรามันไม่จบแ่บนี่แล้วหอมฟังรราานุ่งอเซบานนาจัพรานางเนี่ยเราจะไม่เสรพคนทานเนี่ยคนพานเราเห็นว่าเขากินเหล้าลื่นเรี่ยเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนผิดท่า น, นอันนั้นเป็นคนทานอูดังนั้นยากที่สุดเลยนนะ คนผานพัสสะคนคนวายนอาเซวันนาจะพาลานะไม่ถึงที่ผู้ยู่ดันจิตใจโง่งเนี่ยจิตใจมันคิดจเต้นไปทางที่ผิดเพี้ยคนมาอย่างนี้นะคิดเจ้าเป็นเจกมาที่อีกตัวหนึ่งนะบันฑิตานันจ่านบัณฑิตเปลตมากาเห็นชีวิตจิตใจของเขาที่ควรยู่เนี่ยเซวันนาหืออาเซวันนาจะพาลาะอาเซวันนาจะพาลนะบันิตานันจ่าเซวนาเนี่ย ภูษาจาา่าภูษาเนี่นยน <c oughs> ั่งควรภูษาจึงคือควรภูษาตภูษาเทวดาภูชาเพราะเขาลบตัวพูษาภูษาควรที่ว่าภูษาทศปัญญาเขานี่เขาลบตัวเขานี่ยฉันสอนมาเนี่ยเอตมังเขาเรียกมังว่าทันโยคันได้ผั้งสามอย่างนี้ก็เป็นสี่มงคลแก่เขาอยู่แล้วตรงนเป็นสีิมงคลแก่เขาอยู่แ้วไม่ได้เป็นสี่มงคลแก่ผู้อื่นเลยดัันได้ใส่สิ่งบรุษพาะไปตัวนั่นเป็นสาานี่มงคลอนุกเนู้ มันไม่ใช่ภาษาจิตมุต an ังเป็นภาษาของคนธรรมดาไม่ใช e ่ภาษาหนักป้าภาจาหนักป้ามันต้องปูซาตัวเราเขาเลุกเตือนเราการปูซาตัวเราการเขาลุกตัวเราเป็นการปูซาพระปุจเจ้ามันเป็นการเขาลุกพราะปุจเจ้ามันเป็นการปูซาคนอื่นมันเป็นการเขาลุกคนอื่นไปทั้งหมดเขาหายว่าทำผิดทปกติผิดสิติแล้วเขาเขาลุกคำพูดของเขาอยู่ เขาจเคยได้ยินเนะถ้าพเจ้ากพระองเขาลบพระธรรมเขาลบพระธรรมยุติเนรุกองดีเนี่ยถ้าเจ้าไม่ยิงมีพระธรรมมั้งเจ้าขลุดตัวงั้นพ่อพี่แม่เป็นการขลุดมูเนมั้แล้วไม่จะไปพบหน้าในเรืองที oons, ะะ่ไปก้นกลาบเอาละนั <pound> ่นเป็นเรื่องสมมติให้เขาเห็นทาดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนมันเห็นจั่กายทำเนี่ยเชื่อใจแล้วคุณว่าสมาธิมองทะลุเข้าส่ใจ เดฉะนั้นที่หลวงพ่อได้ให้คอติสเป็นเครื่องเปลีนจิตปฏะจิตใจ น, นี่นี่กันคือกันาคือกันจํำไว้เอาไปปฏิบัติให้เป็นผู้ชีวิตจิตใจของเขาญาติไปคิดทางที่คิดไอ้คิกทางทิ่คิดแล้วมันเสียปฏิบัติโบผู้ปฏิบัติโบได้ผลถ้าปฏิบัติออยังเนี่ยพ่อว่านี่นีอพอรับรอง ในตำราเขาบอกว่ากาเรเจริญสติสัานคืให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างต่างเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวั น, นมีอนุสงสารประการหนึ่งเป็นพระราหันถ้าหาบป็นพระราหันในศาตินี้ต้องเป็นพระน า, าานาคามีสองพระนาคามีปัจจุบันพรานาคามีนี่หมายถึงว่ายุ้เดียวันอ่ยุคเดียวแล้วเจ้าก็หมายถึงว่มีคูว่ามีเมียจะงานกับสปานสาวนให้เข้าใจอย่างตั้น คณะยู icana, เครียดเนี ai, e Mars, chanting, ่ยบวใจไม่ได euh ้มีคนกดคนยกคนหลงเนี่ยพอเขาจังจริยูน้นจะตีปัญญาจริงจริงานานเนี่ยพอเขาใจนอันาก็แมนยูเครยดโดดเดี่ยวบนอุปนิสวรณ์อานาการแมนถ้าเขาใจจริงการเุวาเป็นฝูงแลวมันจวนเวลาพวกเขาจะไปออกไปทางานตามหน้าที่ไปดิฉาบ้านนะครับุบกัน